บทความตาสว่างรับอรุณโดยดังตรินไฟรวมชุดที่หนึ่งตอนที่หนึ่งถึงหนึ่งรรวมข้อคิดกฎแห่งกรรมแนวปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องการเงินการงานความรักและปัญหาอิสรพัฒด้วยหลักกรรมการทำบุญสร้างกุศลสวดมนต์สมาธิวิธีเจริญสติดูจิตในชีวิตประจาวันและอื่น เสียงงานโดยอริยคุณชุมรมพลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยครอบครัวอินทรัดสำหรับบทความชุดนี้จะมีเนื้อหาประเด็นย่อยหลากหลายบางหัวข้ออาจดูเป็นเรื่องไกลตัวหรืออาจไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสนใจแต่ปกติจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่ในแต่ละหัวข้อนั้นอีกมากซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับกรณีอื่นได้อย่างหลากหลายนะครับหรืออย่างน้อย ก็เก็บไปเป็นหลักเพื่อช่วยแนะนําคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีอยากให้ลองเปิดใจฟังให้ครบทุกหัวข้อและจะดียิ่งขึ้นหากใช้เสียงงานชุดนี้เพื่อดึองสติประคองจิตให้เป็นกุศลด้วยการนํามาฟังซ้ำอีกเป็นระยะตามความพร้อมและโอกาสนะครับสําหรับท่านที่สนใจเลือกฟังในแต่ละหัว ข, ข, ข้อต่างหากดูได้จากเพลย์ลิสต์ตาสว่างรับอารมณ์ที่เป็นตอนย่อยแยกต่างหากท่านที่สนใจอ่านแบบข้อความ